สังคาทิเศษสิกขาบทที่4ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษพระภิกษุณีเรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพรียงกันลงอุเขปนียกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัจทุทศาตให้กลับเข้าหมู่โดยไม่บอกการกระกะสงทั้งไม่รับรู้ฉันทะของคณะสงฆ์เป็นปัจจัย ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพภิกษุณีทุลสนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลนันธาเรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพรียงกันลงอุเขปนิยกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตวศาสตร์ให้กลับเข้าหมู่ โดยไม่บอกการกะสง์ทั้งไม่รับรู้ฉันทะของคณะในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นธุระนิเคปะสมุดฐานละ